นิยปูชา2554เรียบเรียงโดยดรดาราวันเด่นอุดมเกล็ดรมคำสอนของหลวงพ่อทำอะไรให้สำเร็จขอให้ทำให้จริงขอให้มันจริงสักอย่างบวชก็บวชให้มันจริงๆก็เป็นที่พึ่งของประชาชนได้ ถ้าเหล่ะแหละไม่เอาจริงแล้วมันก็ไม่สำเร็จสักอย่างหนึ่งจริงใจสองอดทนสองอย่างเนี่ยเอาตัวรอดได้ข้อคิดแก้ปัญหาเศรษฐกิจไทย การแก้ปัญหาเศรษฐกิจของบ้านเมืองเรื่องอะไรจะต้องไปเดือดร้อนกับดอนลงดอลล่าเราชาวไร่ชาวนาทำไร่ทำนาอยู่กินไปกเกษตรกรรมประจำครอบครัวทำไร่ทำนาทำสวนเลี้ยงสัตว์มันก็เลี้ยงเรามาตั้งแต่ปู่ย่าตายายคนที่เขามีความคิดเขาคิดกันอย่างนี้ในการไห น, ไหนกเกษตรกรรมจะต้องเป็นผู้ครองโลก เดี๋ยวนี้วัตถุดิบในป่าในดงจะไปหาที่ไหนได้ละ่ะโรงงานอุตสาหกรรมสร้างกันไปวัตถุดิบไม่มีเจ๊งตายลูกเดียวถึงแม้ว่าพ่อค้าคนกลางเขาอาจจะเอาเปรียบพวกเกษตรกรก็ยังมีที่ระบายสินค้าออกไปเขาลงทุนมากเขาก็ต้องเอาเปรียบมากอุตสาหกรรมประจําครอบครัวเข็นฝ้าทอหูกเดี๋ยวเนี่ย มันทิ้งหมดแล้วอันนี้แหละจุดตายมันอยู่ที่ตรงนี้เสร็จแล้วมันก็อด อ, อ้อนให้พ่อแม่ของมันขายไร่ขายนาไปซื้อรถยนต์รถยนต์พังก็ไม่มีอะไรเหลือถ้ารัฐบาลขืนปล่อยอยู่อย่างนี้ภายในห0สิบปีคนไทยจะเหลือแต่กรร ม, มกรทาตใครอายุยืนคอยดูก็แล้วกันถ้าไม่ฟื้นเกษตรกรรม การอุตสาหกรรมประจำครอบครัวคืนมาเนี่ยไม่มีทางอยู่รอด